ที่เหลือท่าก็บอกว่าก็ทดลองเหตุการณ์นะเดี๋ยวนี้ก็ไม่พูดแล้วนะครับแต่มันจะคูยให้ฟังกันแล้วกอันแบบนี้นะหรือแม่สนามที่รู้จัที่มาอย่างนะครับเราบอกให้ค่าตอนเช้านะครับแต่แกพยายามฆ่าตอนเช้านะกวา่าจะฆ่านห้เขาตายได้เลยมันถึงทีวว่รางนลยครับนีถือว่าผิดสังเกต น, น, นะ้นะคนสังก็ไม่บุบวลาที่ น, น, ะ น, นะครับพยายามตอนเช้าจริงนะแต่ฆ่านม่ไน้ที่นะ่ ผมต่ารกับเด็กยังผมต่างไม่เป็มเลยนะผมต่างไม่เป็นเราจะลือกเป็นโอเวอร์ไทเปนแล้วไปตุ๊กตาดีแล้วแค่แค่นะเราต้อต่างมันไปถ้าท่านถ้ามีแสงเราเวลาเกิดเจริงเนี่ยโอ้ในสมัยที้ผมว่ามีแค่ไหนนะมีแค่เราไหเลย แม้ในโอกาสเราเกี่ยวการสอบค้นหาที่นะถ้าบอกว่าอันนี้ในในนี้ไม่มีนะครับหรือไม่ก็ได้เหรอนะทพิสูรรูปใดถึกสั่งว่าถ้ามจงฆ่าคนนั่นผู้ยืนอยู่ในบ้านให้ตายคือไม่บอกว่าให้ฆ่าเข้าไม่ตายในบ้านนะรับอกฆ่าคนที่อยู่ในบ้านคนนั้นนะให้ตายนะครเขรยกว่ากําลงคนอเฉยนะคนนั้นที่กอยู่ในบ้านใ่าตายแต่ทพิจารณาคำสั่งนะครับ ฆ่าคนนั้นให้ตายในที่เดียวที่หนึ่งก็แล้วแต่อย่างนี้ช่วาไม่ิดที่หมายเพราะไม่้หลักานที่ใ่เกดันนคนนะครับตรงนี้ที่อยู่นั่นตรงีอย่างนั้ส่วนที่สูตรูกในถูกสั่งกำหนดมากจองฆ่าให้ตายในมากเท่านั้นนะครับแต่กลับไปฆ่าค่อยายาผู้สั่งก็ไม่ต้องประหาดครับเพราะว่าผู้ฆ่ามันฆ่าผิดที่น่าายในานะครับหรือว่าผู้สั่วา่าตาย่า แต่มาค e นะ่าตายในบ้านใช่ไหก็นอนอยู่นั้นพู้สั่งไม่ลงนะครับหรือแม้ขนาดนี้นะจะข้ามให้ตายตรงหน้าบ้านเลยนะครับแต่ว่าผู้ค่านะไปค่าตายอย่างการบ้านนะครับหรือมากนะนาคนฆ่านะคนพลัดพลันนะครับยืนเยื่อยเปื่อยนะคือคนสั่งค่อยหฆ่ า, ยาให้ตายตรงหน้าบ้านเลยนะไนหลังตึกนั้นเลยนะแต่ว่าคนนี้ข่าอยู่ไม่ตายเดียว ไปช่างนี่ช่างอตายในการบ้านเนี่ยนะในห้องนี้นะครับหรืว่าการเือนี้เนยนี้ก็ถว่าผิดโอกาสิดที่แล้วนะจอดน้อยหนาหลังตายจงหน้าบ้านนี้ครับเรีกว่ินะครต้องตรงขึด้วยครับตรงขนาดเท่าไรนะถ้าจอดตรงเนียก็เดนะครับเรจะื่อนาฝันนิดหนึ่งจอดตรงยอะนิดหใช่หกลับข้าูนย์กับข้าศู ต่อไปนะครับเกี่ยวกับอาวุธเพราะอาวุธที่ใช้เป็นเครื่องมือการฆ่านะไอ้นี่นะรับบอกว่าที่สื่อลูกได้ถูกสั่งว่าฆ่าจนถึงอาวุธ่าใตายไม่สงบมากหนาลูกสอนนะครบอกแต่ว่าอาวุธนั้นไม่สงบถ้าผู้สังไปฆ่าค่อยตายด้วยอาวุธชิ้นใดชิ้นหนึ่งแต่นี้ก็เป็นปรารที่เท่านั้นนะครับแต่ว่าลูกได้ถูกผสังให้ฆ่าด้วยนาแต่ไปใช้ตะลหรือลูกสัให้ชตะลุนแต่ไปใช้หนาของเขา อันนี้ผิดติดกําหนดเพื่อนนะครับไม่ว่าติดอะเนี่ยติดกําหนดแล้วทั้งหมดเลยมิ้งบอกว่านะครับพี่เพื่อนฟังนะพี่เนี่ยให้ใช้อย่างนี้ต้องนี้ต้องนี้ทำได้นี้ก็ได้นี้นะครับบอกให้อะไรนะแทนด้วยตายต้องแทนนี้นะครับต้องการทุกอย่างเลยนะถ้าติดที่หมายไม่ต้องการนะครับก็ผู้จัดการก็ต้องมาชี้ อิริยาบถนะครับที่เราอิยาบถที่สั่งให้ทาการฆ่าถ้วก็้เรียนท้ายเนี่ราพิสูจนรูปนายสุขสัว่าท่านจนฆ่าบุคคลู่้นั้อนะครับม่ชแต่โจงฆ่าบคนนั้นนะครับซึ่อกลางเดินที่อ่านความจริงในหนังสือเาต้องแปลนะเราต้อแปลว่าโจงฆ่าบุคคลเนี่บุคคลผู้กลางเดินไปคนนั้น่น่ใจแต่ไม่ได้บอกว่าต้องฆ่าคนที้เขากลางเดินนะ บอกว่าให้ฆ่าคนนี้กลังเดินมาคนนั้นนะที่หให้ตายนะครับถ้าในมิติของความสั่งนะฆ้านคนนั้นให้ตายนะครับอะไรนะฆ่านคนทู่กลัเดินไปตายย่อยติที่เห ม, หม็นจริงเ็าอยู่ในยุติยาบทอือนะแต่ก็คคนที่เราสั่งอย่านี้นะก่อติที่เหม็นแต่ถ้าบอกว่าให้ฆ่านะตรงที่แกลๆกำลังเดิคะคะนอยู่ไหนะครับฆ่ายุติยาบทเดิม ท่านทรงฆ่าบุคคผู้กำลังเดินอยู่เท่านั้นเห็นไหมรับฆ่าเมื่อตอนที่อรลังเดินมาเท้ตายแอบคุณสักษณะนะครับไปฆ่าตอนที่เขานั่งอยู่ว่าอยู่นี่นะก็ถือว่าผิายรูสคน่มันใชคความพิเศษนัเกระทำถ้าบอกว่าคิดถูกรูปใดถูกสา่งว่าท่านทรงแทงให้ตายคิดถึงคุณลักษณนั้นแทงให้ตยย่อมไม่ผิดที่หมาย สวิสูรรูปไดศึกสามานรงแทให้าดแต่ว่าควรักคามสำกับไปฝันทาวั่านนะอันนี้ติดที่หนึ่งนะครับเลขผก็เหมือนกันนะครับต้องตรงามวิธีด้วยนะบอกให้แขพ่อมาให้ายเนี่ยกลับไปอะรแทนไปแทนไปผีพอใช่ครับอันก็ไม่ให้ไหนผิดที่หนหรือแม้ในนี้ก็ผีนะครับสั่งไม่กำหนดนะครับสวิสูนรูปไสั่งนม่กำหนด ผู้สัมฤทธิ์ก็มีเราจะโอกาสฆ่าน้อจะดนเรองนะครับเรื่องมากแค่มากท่านจงค่าก่อนที่สงต่างดำขาวของเมื้อเพื่อตายนะครับและมิสุกรับคาสั่งฆ่าพลายขเช่นนั้นตายย่อมไม่ปิดที่หมานะครับเพราะว่าไม่กาหนด น, น, นะครับเป็นประราชิง่งขั้นสองรูงร้นะครับแต่ถ้าไปอย่างนี้เราถึงนว่าที่ถุดผู้สั่งนะสักให้ฆ่าคนที่มีลักษณะอย่าง น, นี้นะครับ ผมต่างทำขาอ้วนนะมายังนักหนานไทั้งหมดซึ่งก็ได้แก่ตัวตัวเองนั่นเองแก่ตัวตัวเอง่แหละนะเคอใช้ต้อฆ่าตัวเองนะครับแต่ไม่้ตรงตรงมายันักหขานคนที่อยขต้องการให้ฆ่าใช่ไหมกวมีนักหนานในน้อย่างนี้อยู่ที่ที่้มีอะไรก็ว่าไปนะครับทีนี้ผู้รับสารนะครับข้อฆ่าที่สูตรสารในตายก็ชวยปกขี้หมาได้ไหมทงตาคนสั่งทุกอย่างเลยนะครับ ด้วยที่มากท่านผู้สั่งเนี่ยเป็นชนําหรับผู้สั่งให้ผูกฆ่าตัวเองครับก็มีไปนํามว่าผู้ปกครองถึงแม้ผูกคำสั่งนะแต่สายฆ่าตัวนี้ะเป็นผู้ปกคแต่ผู้ฆ่าเปกว่าใช่ไหมนะครับถ้าผู้สื่ผู้สั่งสั่งหมายอาตัวเองนะครับแต่ผู้ฆ่าไปฆ่าคนอื่นแทนีผู้สั่งก็พ้นใชนะครับพ้นแต่อันตรายเป็นมายเสียจากผู้ฆ่าเท่านั้นนะครับเพราะอะไร เพราะว่าก็คือเมื่ออาตีนเขาดึงมาที่มีรูปร่างหน้าตาให้ค้าเราเนาะเราสั่งค่ายค้าเรานะมานลากษดะไปแต่แกมาเข้าใจคือว่าเป็นคนที่เคลื่อนรอและก็ไปสร้างใจตรงสั่งพวกพ้นเลยนะพว้หัตัวเองครับลยพ้นเพราะว่าพ้นได้เพราะว่าไม่ได้เป็นโอกาสไหมนะแต่ถ้าเราสระทที่มันครบเราบอกว่าหน้าตาเนี่นะาบอกว่า ให้ระดมงานนั้นบอกตลอดสถานที่ครับแต่ข้าผู้สุขผู้สั่งแล้เมื่อสั่งมาเอาตนเองครับก็กำหนดองค์การไว้ว่าท่านจงข่าคนชื่อปานิยครับซึ่งนั่งบนอัศนะข้าเถรนะหรือบนอัศนะข้าแมชินะในที่พักกลางคืนเรียนที่พ้ากลางวัชื่นโนมิตากำหนดเลยนะให้ค่าฆ่าที่จะไปนังตรงนั้นนะครับหรือว่าเคนโร่ตรงโ้นตีนางแน่นนะครับกำหนดมติอย่างรับ เออหาที่นั้นวันนั้นเวลานั้นนะที่ตรงวันักรนะครับมีที่สุดลูกคุณมานั่งแทนนะครับหรือมานอนแทนในปกตินั้นนนนะหรือคก็ยินตัวนั้นนะครับที น, นี้ผู้รับคำสั่งเนียก็ยังก็เข้าใจว่าให้ฆ่าอย่าง้ใช่มเพราะที่นังตรงนี้เนี่ยก็สั่งแล้วแล้วครับก็เลยฆ่าคนที่มาหน้าตาเนี่ย น, นะครับที่สุดผู้สั่งนะครับหรือว่าหรือว่าเป็นปนนระธานนะสั่งมาตัวเองเ น, นะ เอกกำหนดสถนที่นะครับไว้าข้าที่นั่งบนก้าวที่ยตัวนั้นคือจา่ให้คานี่ยบอว่าั่นะครับให้ข้าข้านะครับที่นั่งอยู่ใกล้ตัวนั้นที่นั่งบนก้อยู่ตัวนั้นะในหัวฉันนั่นแหละตอนนี้น่ามันไดยนนะใก่้ๆกัาใครใครอันตัวตาอัวาอะไรนข้ารู้เลยเยตอน ตอนไันนะตอนล้วงอกว่างตอนล้วงตอน้วงตนล้วอนล้วงตนล้วงตอนล้วงนล้วงอนล้วงตอนล้วงตอนล้งนล้นงตอนล้วงตอนล้วงตล้วงอนล้วงตอนล้วงตอนล้วงตอนล้วงอนล้วงตอนล้วงตอน้งเอลงอนล้วงตอนล้วงตอนล้วงแอนล้วนะครับวงตอนล้วมตอนล้วงตอนล้วงตล้วงตอนล้วงนล้วงนล้วงตองนล้วงตอนล้วงอเล้วงตอน้วงตอน้อน้วงอนลวอนล้วงตอนล้วงนล้วงตอนลงนล เปนชื่อภาษาของมันไปเราไม่ใช่หนุ่มไปวิชาดีไมเป็นามันไม่เป็นวิชาไม่เป็นคุณสั่งเป็นต้องเป็นสัว่าแบบไปหรมว่าภษาเป็นคสั่งไปไหมครับวิชาเนี่ยวิชาดีอ้าน อไม้หอเ่าหอเ่อยหืล่อยอะนั่นแห้าว่าของเป็นคนต่ามเป็นวยานะคนต่งอ้าวผมว่าสั่งชาติยินใช่ไหมครับอ่าแต่ได้บอกวอาไม่าตัวเองแก่ไม่บอกวาให้ฆ่าตัวเองใช่ไหมไม่ไร้พูดตงตัวตเองชแล้วไม้ก็ตัวเองอลนะครับพ่อจะไปนั่งรนู้นแต่คุมานั่งแถ่บนนียอมแช่เลนั่แหลเรว่าคนต่งจที่ใส่ก็เลยใส่ได เดี๋ยวท่าจะเฉลยนะครับแต่แรงกรนั้นมีทิสุดรูปหนีนั่งแทนอยิ่นะรัให้เราถามแล้วเราจะไปนั่หรือเปล่าปรุงท่าผีร่ามานั่งแทนด้วยนะเวลานล้นด้วยครับทิสุผู้รับสัง่งข้าที่สุดที่มานั่งอยู่นั้นตายนะทสุดผู้ฆ่านรักยอเป็นคนชนะแบแคนฆ่าเนียก็โดนนะครับทิสุดผู้ตามก็ไม่พ้นทีาติที้เนี้คนคนนรพร <c oughs> าถาเพราะ แก้ว่าพาอไม่ได้กำหนดโอกาสพาะได้กำหนดโอกาสไว้ครับพ่อกำหนดสถานะนะครันใช่ครับให้ค่าคนที่มาหน้ามืก็อี่ตัวนี้ใช่ไหมซึ่งจะหมายถึกตเองครับแต่บุรีขุนก็าน้าแทงเราก็กำหนดได้ครับว่าคนที่มาหน้ายู่ก็อี่ตัวนี้แต่ก็มีการกำหนโอกาสไรอย่างอื่นนะก็เลยเป็นนะครับเป็นของนะครับแต่ถ้าที่สุดผู้รับั่านะครับ ฆ่าเขาตายนะครับเว้นจากโอกาสที่กาหนดไว้พ่สูจผู้สั่งย่อมพ้นจากอาวัตนะครับก็คือค่าคนสั่งเลยนะคนว่าพอฟังก็แปลใจว่าหมายตัวสันงใช่ไหมครับถึงแกไม่แน่ตรนั้นเนี่ีคนมาลั่นแทนข้าพุธไม่ค่าคนอยู่แล้วพอรวมันจะกรณีใช่หมกรตายไปฆ่าเาคนสั่งเลยนะครับแต่ยืนนะคนสั่งเาไม่ไม่ยอมหวานนะยอมอาวัตนครับพอสาย่าคนไม่น่ารุ่งก็ดีใช่ไ แต่ตวไม่ได้นั่งพี่เนี่ยก็อยางน่านครับนั่งของแถมหรือนั่งไปไหนท่านบอกว่าในงานที่มามนนี้ตั้งสถานกาย์่าววาเป็นสานดีนะฮะนะครั้าเพราะฉะนั้นควรความไม่เพือเพในในปฏนทึงไม่ควรทำทีไรเนี่ยต้องเชื่อใจนั่งนี่พี่เนี่ยไม่ว่าอันนี้เนี่ยว่าไม่ได้กำหนดการ อันนี้เพราะว่าได้บนสถานที่ไรมันต้องที่เราเอานล้ใครก็ได้แต่ที่มาหตรงนี้ใช่มอันนี้เราตาวัตถุต่างอะไรนี่ก็ไม่เกี่ยวแล้วถ้าเกดว่าในคำนดการอะไรได้ใช่ใชวัตถุมันต่างนแล้วนีนี้เพราะว่าหมายถึงวัตถุอะไรมัต้องพูความต่างใช่่เพราะคือเขาไ่ด้บอกตรงตงใช่ไหว่ายข้างเขาเรื่อเราเขาบอกอ่องอ่องว่ายข้างที่มาน้าตรงนี้ ซึ <ừ> <yo> ่ง <two> ก so so ็จะหมายมตอกองหมายมือกองอะไรนะแต่คนอื่นมานั่งแทนแต่ถามว่าคนอื่นน่ะเป็นคนที่มานั่งตรงนี้ไหมมันก็ใช่จริงๆครันกัย่าเลยพอแล้วก็เลยดนเลยขอกหนอย่าัที่ว่าออกไปแล้วกไปยไงันไปคาว่าค่าด้วยการวางกับดักของเขาหมายถึงที่สู่ เมื่อต้องการจะฆ่าด้วยเครื่องมือกว่าแคเคลื่อนที่ไม่ได้จึงทําการสูญสารติดอาที่พละอีนครับล่อมางหนาเป็นต้นไว้การโปรยทิพย์ลงไปโดยเป็นต้นการลอให้ลูกอยูเป็นต้นคุณในฐานะนี้ก็คุ้สร้างประเภทฆ่าจอบโอนและไม่จบตงตามแนวลำเปล่านั้แ น, น, นแรกนะครับนี่ก็จะช่วยบ้างหน่อนะครับเริ่มแหลงาาเลยนะ ถ้าจอบจงไม่จอบจงเปนยนะครับท่าพูดอยู่ตรงนี้เลยนะท่านบอกว่านะครับพื้นสูุดหลุมเราขดลุมเลยจอบจงคนบางคนด้วยตั้งใจว่าผู้ชนี้จะตกไปต่างประเทศจองคนนี้เลยนะเพราะรู้ไว้ว่าพื้นดินเามานี้มอไปพ่ตรงนี้แล้วให้แกตกแตกทายที่นี้ในที่ที่ผู้นั้นเที่ยวไทยแถวลพังก่อนอื่นถ้าไม่ปุดชาติปฐมี ดินแท้เนี่ยนะครับเป็นทุกดผทุกประโยชน์ก็เป็นความพยายามในการฆ่าครับไม่ไ่ดีเพราะว่าขุดดินนะก็เป็นความพยายามมือก้ในการเป็นพที่นะรับในการฆ่านะเราเรียกผู้ประโยชน์หรืความพยายามหรือผู้ประโยชน์ในการฆ่านะแกที่คือผู้กลุ่มเรากเป็นประโยคเหนือาอธิบาคือ่าเป็นความพยายามในการต่อฆ่าคนนะ เหมือนกับยานะไรนะยาชิพ่อหนึ่งเลยที่บรรลุทาผู้หญิงใช่ไหมใช่ไหมครับยังบรรลุต่ออะไรหนึ่งงานิเศษในะครทบที่ว็เหมือนการเหนื่ยถึงปวดดึแท้ะแต่ปวดทุกอะไรเพื่อจะฆ่ากนุ่นะครับอาบัตก็เเป็นทุกบททีนี้นะครับเป็นเุนละใจเพราะขอให้เกิดทุกแกงคนผู้ริโตนจอดจงกลุ่มไหมถ้าเขาตกลงไปนะนะครับก็เป็นอาบัตอะรน้เขาตกลงไปราชุดพระเวทนะครับ ก็อยูดแม่ปัดถนใจพอเขาตายปุ๊บก็เป็นประราชีพนครับแม้ผู้เมื่อผู้อื่นแม้ตกไปตายไม่เปนาบัตคนอื่นใครก็แล้วแต่กมาตายไม่เป็นอาหมันเราต้อเจาะตรคนนี้นต้องคลนี้นั้นแต่ถ้าผมก็ยไม่ได้จอบจองเราใครผู้ใดผู้อื่นก็แล้วแต่ขอให้มันตาก็ได้นะครับอันนี้เป็นปราชีาเข้าจำนวนสัตว์ท่ตกไปตายกี่คนก็แล้วแต่นะเพราะแเไม่ไจบจอเลยนะครับ ถ้าเป็นมาดาจญนา้านก็เป็นรูปรียร่าถ้าเป็นเป็นก็เป็นลมใจใช่ไมถ้าเปนมใจก็เานตี๋ีก็กางว่าุูเลยนะข้อแกไม่ได้จบนะครับเออท่านบอกว่าี่สุปุบไม้ด้วยขึ้นมาคนเมื่อหายผู้อยากจะตายผู้อยากจะตายแล้วับะตายเนมืเป็นวลาที่บครัวคนเดียวตาเป็นกองอุศนข้อบครมากคนตาย ปเป็นอนุญาตกรรมทารืครับที่สูตรไว้ด้วยคืว่าคนเหล่านาเหลนึงมีความประสงค์จ่าเาให้ตายจะพักคนเหล่านั้นให้ตกตายหรือกางนี้อย่างนี้นะครับก็คิด่อคนทต้องการฆ่าถึนตายใ้่ไหมก็ฆ่าคาานื่ น, นใตายไปนี้นะครับและก็มีคนมาพักนั่นจริงนะก็ไปปลารชิ้นเหมืันม่อหก็เป็นองนนอ์อผอู้ทรงฤท เมื่อบุคคลตกระกายการรมดาของคนย่อมมีการติดที่หมายไม่เป็นนยอันนี้อยู่ที่การจอดจองด้วยนะถ้าจอดจองให้เขาตกะตะกาองดนะ้วยแล้วก็มีใครตรกะตะกายเองจรนี่มีชื่อว่าไม่มมติดที่หมายนะครับแต่ถ้าจอดจงนะให้มีใครทางคนขับเขาอยู่ตกตะกายนะครับเนี่ยแต่ว่าเขาไม่ได้มีใครขักใครตายนะอยู่ดีคนมาตกมาตายเองนะครับนี่ปิดที่หมายนะ เราต้องจะให้คนหรือมาฝัตคนของตายนะครับแต่นี้ม <Yes. S 2> ันมีใครฝังใครมีคนอะไรมาตกตานึงนะครับมันก็ปิดที่หมายนะต้องการกำหนดข้อท็จรินครับถ้าบอกว่าถ้าตรวจยุทธูไร่ขุดไม้ไม่ได้ตอบตรงเลยแม้ในประการทั้งปวงเลยว่าตอนหลังอะไรหนึ่งผู้ไหนจะตายก็ดีไม่อยากจะตายก็ดีผู้ประสงจะฆ่าเขาก็ดีไม่ประสงคจะฆ่าก็ดีนะครับ จกตกไปตายหรือถูกผักให้ตกไปทายหนึ่งครั้งที่สุญนั้นย่อมถูกต้องกรรแย่ย่อมต้องอนุบามะคถ้าไม่ได้จาบตรงก็จะโดนเโดนอดนเนี่ยคูความจือมจาะตรงเนี่ยจาบตรงให้คนตองมาตายนะครับอแรกนะอันที่สองจาะตรให้คนมาโดดตายนะอันที่สามเจัะตรงให้คนมาผักคน่งไปาย ต้องกามที่จอกจองด้วยนะถ้าจอกตรงไม่ดีนครับผมจะแต่ว่าถ้าไม่ได้จอบตรงในสัญญานี่ะครับเขาจะตามแบบไหนก็แด้แต่นะนะตองไฟตายเองนะครับหรือดนไฟหรืว่ามีใครสมธ์กนตายเนียก็คอการบ้เราไปเหยียงานกับแนะครับองติดอาวุธิี่ะอี๋นะติดอาวุที่คณะอูเนี่ยถ้าเขาอยู่ถึงตรงนี้นะ ยังไม่ได้มาเอาทำเตี๋ยวต่างรูปนะครับยูนเกอร์ทำเตี๋ยวต่างรูปนะเพราะฉนเจ้าเล็้าเล็นครับหมายงว่าถูกสำหรับกินนะมันมีหลายอย่างนะครับินเดียต่างพันกรัาที่ใช้สำหรับกินนะและก็สาวําหรับกินมันจะมีหลายสาวสหรับกินเราจำมันจเห็นสมัยก่อนเขามีครับในที่รงกลมนะถ้าจะมีสาวสำกนะครับพอเดินไปเดินมาเมื่อทนะครับ ก็แบบพินเสาครับเขาเป็นทองยืนพ si so ouais ียิงี่ิงพีไม่น่าผินเะให้ทแผนกนะดาษนัเนีงแล้วก็ทองเราเีแก้เมืะนี่สาวก็ขายจะปนี่ยังทำอยู่ด้วยกูซ้อจะทำแล้วขนงเสาสบายๆหน่อยนะครับเเตรียมเตรียมไว้พิงเสาไว้พิก็มีใช่หมกระดาษไ้พเหล่านี้นะครับนี้พีสูงก็อางุนะครับ ผอว่าปานะสตารที่มีหมี้หวานของเหล็กแหลมมาแร้าเป็นต้นครับเอาไปมางเว้ที่ส่วนทนะไปวางว่าจะไม่เขาเห็นนะเราคาดเอาคูแงงหล้าแต่งนะครับที่ทีพวกเด็กทำไหมพิเศษอะไรสักอย่างนะผมไม่ใช่การานี่เหียบธรนมาถ้างานเหนียบธรรมดาต้องเห็นช่วยมีอะไรอยู่หรับเ่ะที่มีรุ่นมีอะไรพุ่งหรือมี่ะนะก็แกเอา เอาขานเอาไม้เอาแหลมเจ็้พวกนั้นไดครับแล้วทำให้แน่นมีอะไรนะแต่ว่ากินแล้วก็ทำผ่ามาเสียามันนอาลงเลยนี่ยังไงตอนที LD ่ไปวางไว้ก่อนไปนั่งแบทุกบทของเราทีนี้เมื่อคอที่ไปทีเนี่ยหมอวามสองไหยใช่ไหมก็เขาจะไม่มีอะไรเหนเก็ไปนั่งทิ้นอนทิ้งในยูนิฟ์ก็แล้แต่นะแล้วก็เกิดทวกเวทนาขึ้นมาอันนี้ต้องมาถือใจคนปีกุ้งเอนเสียบเข้าไป คนทุกขันัชนาฮพอเข้าใจว่าเป็นอาบัตาลชีนะครับแบบนอ้ยไ่พูดถงรยละเอียดเลยนะบอกว่าถ้าจุดบนะครับผู้มีเหวนของเธอนั้นแล้วก็เดินเที่ยวจานี้ไปสาคือมีคนในกอในขอในคอนะเอาในกอนะครับรอบท่าในขอเก็บไปบางอะไรนั้นมันเป็นีเดียบร้อยแล้วนะแต่ในขอมันเห็นเท่า ในขอเนี่ยก็เป็นในคอก็เป็นคู่แย่นในขอด้วยครับแล้วในในขอเนี่ยแกมีคู่อู่เยอะในกองก็จะต้องการฆ่าแกนะครับในขอต้องการฆ่าแกนะแกมีคู่อื่นเยอะครับฆ่าในขอครับแต่ว่าในในคอแกลงก่อนใช่รัมก่อในขอแกไปเกงเข้าพอดีในคอไปขอในคอในคอหมในกอคนนึเราว่าในในในในครับแต่ง ในดีอนี้ก็แ um> ล้วครับนายอไปช่วยนี่ไงนายคอก็ไปช่วยัแต่ช่วยยังไงครับไม่ช่วยอะไรนะแค่เกิดความขี่อย่างนี้เลยครับเกิดความินดีขึ้นนะครับเห็นไอ้ที่เขาจะหวังไว้ไวยินดีอยู่ว่าหนอยสักรานี้เป็นของที่เธอรูปนี้หวังไว้ เพื่อเพือสถานีั่งฟัวนนั่นะครับจ้องให้สนิเถิดทอยีเจ็กเจกแะการเทีดีใจไครับเดินไปไปนาหาทุกคครับโอ้โหอะราบามีทางแต่บอกป่าปนาหว่านเพราะว่าทาง่ายก็ไยอแต่เับสําร์งออกมาครับอพอเห็นแล้วระโยอ์นเราสตารมาแต่เจ็กใจเย็นนี่ด้วยแต่แต่ดินดีสนุนางา ยั่ตายสิกะดอไม่ชอบปลิว้วเลยเป็นอาบาัติเาะว่าไม่เดินต้องไปออใช่ใช่ใ่แต่ถ้าพิสูจน์ผู้มีเวรแม่ลูกนั้ น, นะนะในคอนครับคิดว่าเมื่อเธอทำสัมการไว้อย่างนั้นแล้วจะเปน็นอันเธอทาให้ไมู่่แล้วคือมายังตายลูกศนะทำที่เดียวไม่มีคอครับจัดเจงี่อไปจัดแจงอีกนะครั บ, บเป็นความจางอย่างเพืนน่อการทำสัมการให้คมปีเป็นต้องเหาเหงานะ คงไป็นนะฝนมากขึ้นครับเป็นประลาชิมแม้แต่เจอผู้มีเวรรูปนั้นนะครับไฟโดนประลาชิมี e. them, ah. ่ <nin> ้วต่อลุ่มเลยคนแรกก็โดนเพราะผมอยู่ทีเก่าเลยใช่ไหมเดียวท่านพอุ่งนั้นเองคนแรกคือเรนหนึ่งนะครับแต่ว่าพีุ่้ยก็มีไม่มาหน้านเลยถึงว่ามันหน้าก็ตายไงน้าไนก็ตายก็โดน้งสองคนนะครับหรือ่าแพร่ยัวมกันด้ย แต่ถ้ารู้สึกผู้มีเวทเห็นางอย่างนายพรนะเธอนรูปนั้นมาสั่งนามไว้ที่ไม่หมดพงค์วันนี้ไม่ได้แล้ววันเขาก็รู้หมดแล้วต้องวางที่อื่นี่ไหมจึงยกขึ้นมาวางไว้ในที่อื่นครับนู่นเธอทำแล้ววาไว้เพื่อประโยชน์นะเพื่อประโยชน์นั้นนะคือประโยชน์ที่ให้ตาครับวางไว้ที่อื่่พิมพ์นะครับแต่ว่าเพื่อให้ตายนะเพื่อประโยชน์นั้นเองครับที่ิผู้เป็นต้นเดิมย่อมไม่พ้น ไม่โฟนอีกนะหรือเข้ามาจัดแจงให้ที่อื่นที่เขาจะทำแต่สำเร็จผลดีกวาคุขัเพื่อเดี๋ยวเพื่อฆ่าอะไรนะคนต้นหนงก็เป็นคนอีกเนี่ยไม่ยฟนนะคิดถึงได้สัตตาได้วังไว้ตามปกติเดิมย่อกขอีงอืมคิดถได้สัตานะวังไว้ตามิเดิม่อกโฟนอีกเนี่ยอ่นต่อไปนะคิดยู่นาสัตตาแลออกเปเสีย ใน่อนะเอาสตาร์ออกาเลยครับจึงเอาสตาอย่างอื่นที่คงความมั่วไม่แทงที่สุดเป็นต้นเลยยอโผล่ยอดเกียวเอาวุ้อันในคงมาวางไว้เรงคอครับในอในคอเว่าไม่ดีเลยดอาออกเสียอันไหมาใส่แทนในพอทีวุ้นดำในคอเยครับในซอกก็เลยโงนไครับในคอม่เอเดือนกที่สุดได้สตาร์เนี่ยางไว้าเดย ให้คนเรานกไม่้่นะวาง้ นานๆคุณกะความตายนะนานไปก่อนนะครับโดยนายจะต้อว่าผู้ในตายด้ายหนาผู้นั้นจะได้ทรัพย์ก็ดีนะครับพว่าผู้ต้องการตายจงตายด้นานนี้ก็ดีคุณว่าผู้ต้องการตายจะให้ขาคฆ่าที้ตาย่าดวยหนานนี้ก็ดีนะแล้วลอบมางหนาไว้เป็นทุกน์กับเอกที่สู่รุ่นั้นในการลอกมาไว้นะครับทำไม่าลอบมางไว้บุคคลผู้อยากจะตาย จะใช้หนังป้ำตาตัวยในก็ตานะเพื่อความประสงค์จะให้คนอื่นตายนะครับจเอาหนังน้ปำตาลฝืนก็ตาแม้มีการถานสองวิธีเป็นฝืนจิตใจนะครับแต่ผู้รอดวางเป็นเพราะกอดมรรคเกิดอย่างคนอืู่เป็นบายชึ่งในทอกของสานะครับหมายความอย่างนี้แกพนานกันนะว่าถ้าใครใช้มีเรื่องนมือครับฆ่าโดยกายนะหรือไปฆ่าอื่นตายนะครับ หรือวาตงตายด้วยหนาแบบนี้นะครับหรือว่าถ้าใครต้องการขืนฆ่าตัวใช่ไห้เอาหนาอนนะครับเนี่ยเอาหนาตัวนี้ฆ่าเปลีตายก็อยู่ครับืออาหนเล่มนี้แหละให้ขืนฆาตายก็ดีนะครับเนี่ยนานๆไปเนี่ยกรณีคนอยู่แวนมาได้ยเข้าใชแล้วก็ตรงตา้วกลนครับเอานี่เล่มนี้มาแทงเนตายนหรือเรืงคนอยู่แใช้นี่เล่มนี้ฆ่าแทงเปยนตา เมื่อกิดเป็นกวมเนาขึ้นพวกกัแงใก็กอาจรเมื่อเขาตายจริงก็ผคไปมีการไหการว่าันหนึนครับทำานช้้อง่วพกไหเขาต้องไม่นือีด้วยครับก็ไอช้นไม่ได้คนีถ้าไม่ได้คนดีก็ได้นึเมื่อขึ้นสู่วาไว้ไม่จอดโดเป็นกองผุโสนะครับ ในก้อความสั่งเป็นอันมากต่าเป็นปรารถาชี้เป็นต้นในก้อว่เปลี่ยนปรารถาชี้เป็นต้องในที่นี้ครับตัวนี้ท่านก็ไม่ได้บอกนะไม่ได้บอกว่าแค้หรือไม่ไดีนครับต่อไปนะครับเอาเรื่องการตัวอย่างทีเราในบึงเป็นต้นอันนี้เรืไองง่ายานะครับอย่าจอดจองไม่จอดจงกันนะ แต่ถ้าวังยางขึ้นมีในปืนนครับคนสัตว์จอายเยอนะเรื่องนะครับยี่บ่อน้ำสาหร่าได้เ e. นี่ยนะคนตายเยอะเหมือนกันการรอดลูกผู้หญิงเปต้นการรองลูกผู้หญิงเป็นยังไงครับการรอดลูกผู้หญิงเนี่ยคือวันแรกจะเอาเหมนนะรูกเสียงกินแล้วขนตกทานะครับรอดกิบมาสองสองอ่านะครับก็อย่างแรกนะ นี้เขาบอกว่าที่สุดนำรูปนะครับแง่องมันมันจะมีสลักนะครับอย่างแรกนำรูปที่ไม่น่าตัดนะครับรูปที่น่าเกยียดหน้าโงไม่น่าเอบใจนะน้าตัวน่าหวดเสียแล้วเข้าไปด้วยตั้งใจว่าเขาเห็นรูปนี้แลจะตกใจตานะครับรู้สมัยต่อถ้าแหลแปลงหน้าเหี่ยวปีญาอะไรนะครับไน่าไม่น่าไนาไม่น่านอย่ เรามีตัวเ่งะครับไาเนแต่ไม่หมานะครับก็ทำตัวเองนี่ยในระมิดตัวเองให้เป็นรูปยักษ์รูปเป็ดอะครับหน้าดุหน้ากลัวนะแล้วก็ไปแสดงเมือนนั้นเห็นนะครับด้วยการแสดงว่าเขาเห็นรูปนี้แล้วก็ตบใจตาถ้าพี่เห็นรูปนั้นเห็นรูปนี้นะครับแล้วก็ตกใจแต่ตอนที่แสดงรูปนั้นเป็นกูปโกรนะพร้อมอยู่แล้วก็ตกใจเลยถใจพรอมตายคือก้อนก้อนหมากร แต่ถ้าว่ากลับกันนะครับเราต้องการให้เขาตกใจแต่ต้องกลับชอบใจครับไม่ตกใจนะครับเขากับชอบใจนะแล้วก็เกิดสุ่มของมาตายหลังนึงครับพอมาได้หูุนั้นนะเห็นชั่วหลุมนี้โอ้ยไ่เคยเห็นเลยหลุมนั้นเห็นนั่นเห็นนั่เลยนะนี่นะครับแล้วก็สุ่มของตายขอไม่ได้หลุมนั้นนะเห็นมั้ยนะครับแล้วกิขที่หมายนะก็ต้องกาให้เขาตกใจแอ้เรื่องนี้ก็จะเล่าเรื่องเี่ยวับ คนนี้ตั้งใจอยู่ท่านคือของเรื่องคนป่วยเนี้ยเราแก้แค่ป่วยที่ไม่ต้องการแก้ตายงไงอย่างนี้นะครับก็เลยรังงูน่าที่น้าเกลียดนะครับไม่แกลกหนแกได้เหมือนในวายตายตกในตายอย่นะเกิดแก้ว่าตกตายนะครับแต่แก้อบขึ้นมานะตอนนี้เราเราไม่แสดงตลอดใช่ไหมก็เรียกว่าหายไปนะครับแกเกิดชอบใายขึ้นมาแล้วก็ทุบของตายนะข้อไม่เห็นอันนี้ก็เกิดเรื่องแปลก เในลักษณะแรกนะต้องกาน แ, แล้วตกเปนตายถ้าในลักษณะที่สองนะครับนารูกที่หน้าแล้วหน้าขอบใจ น, นะผู้หญิงอย่งผมนะครั บ, บ, บนี่แหละหรือลูป ก, ก็ดีนะคนจริงก็อีแ ล, ล, ล้วไม่เคยก็ดีนะครับไปให้คนป่วยนะครับคนไมยป่วยก็ได้แต่นะไปะให้เห็นเห็นความเงเห็น เ, เห็นพวกกันนะเราจะไม่ให้ เ, เห็นตลอดใช่ไหมนะครับแล้วด้วยตั้งใจมากนะครับเขาเห็นรูปนี้แล้วก็ตักทูบของตาย เขาหาไม่ได้ก็เก่ถึงแล้วแกอยากจะได้ใช่ไหมเขาอยากจะได้มากก็จะไม่ได้ใมครับีนี้เขาจะสู้ขอหะไ่ด้เนี้เราตังใจที่นะตอนที่เอานาเข้าไปเรเป็นทุกรธพอเาสู้ขอเงียบพขไม่ได้ที่นั้นก็เป็นตัใจพอเขาทต้องขอาทีครับแต่ถ้ามาับกันนะเขาเกิดตกใจตาดวเป็นยา้ยนี่ครับแล้วก็การทข่คขอเงียบกลตกใจาแทนครับ นี่ก็ปีกมันะครับทา่งา่นก็การงานก็ไปเสร็จไม่ได้ไม่ได้จะเปลี่ยนกลิ่นน้องุขภาพก็นอนผ่นนะครับความที่มาเหมือนกันนะทนี้ถ้าว่าไม่ได้จดจองเลยครับไม่ได้จอดจองวาใช่ท้องต่อมแตหรือว่ทุกข์ของแตกก็ไม่ได้รูปนี้นะขอยแกตายที่รูปนี้มาก่อนนะจะตายที่มันตกแต่หอว่าไม่น่าควรได้แต่งเวาเกิเขาตายด้วยอาการอยากได้เหมอสองอย่างนะครับ ก็ เ, เป็นไปในที่การรอบวางหนาที่จริงนก็ไม่ได้เกีย่ยวกับว่าไทยให้ดีไม่ได้ดีเลยรอกแค่การอบว า, นนอางนั่นเองนแล้วก็มีชาวต่้งกาตอยู่ทีน่นี่คราบก็โด่นะ